สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมเนธกรคนชอบเหล่ารู้สึกว่าจะว่างเว้นจากการเข้าป่าไปนานคลิปนี้เราจะไปเข้าป่ากันครับเราจะไปกันกับเรื่องราวที่คุณโกมอนชอนโอมได้กรุณาแบ่งปันมาไม่รู้ออกเสียงเชื่อถูกหรือเปล่าครับหากออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าสวัสดีครับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังมันเกิดขึ้นในป่าครับ ก็คือว่าผมชื่อต้นมีเพื่อนชื่อบ่าวเราสองคนมีการนัดกันว่าจะเข้าไปเที่ยวในป่ากันเรานัดกันว่าเราสองคนจะเข้าไปแบบไม่ลึกมากเราจะเข้าไปพิงบริเวณขอบของป่าโดยเราจะเข้าป่ากันไปตอนกลางคืนแล้วมาถึงเวลาที่นัดกันเพื่อนผมก็มาหาผมที่บ้านเมื่อพบเจอกันก็เลยพากันหลบไปซื้อของเพื่อจะนําเข้าไปกินกันในป่าด้วยแล้วเมื่อจัดการกับเสืเบียงเรียบร้อยมีอาวุธประํากายอุปกรณ์พร้อมเพื่อนบ่าวพบปืนลุกกรด ส่วนผมอุปกรณ์แทงกบและที่ขาดไม่ได้ก็คือไฟฉายเพราะว่าหนทางที่เราจะเข้าป่ากันนั้นมันต้องเดินไปตามสายน้ําเราไม่ได้เดินขึ้นเข้าป่าไปตรงๆมันอยู่ติดกับเขตป่าไม้ซึ่งผมก็คิดว่ามันน่า จ, จะเป็นการดีที่เอาตัวแทงกบไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่ได้อะไรเลยอย่าง น, น้อยก็ได้กบกลับบ้านบ้างหลักซึ่งเพื่อนบ่าวของผมก็เห็นดีด้วยรเราก็พากันกค่อยๆย่ําเดินไปเรื่อยๆผมก็พยายามส่งกบไปด้วยระหว่างที่เดินกัน เสียงกบรีตรึงเรไรร้องกระงมแล้วก็ไม่ผิดหวังผมก็เจอกบก็แทงส่องแล้วก็แทงเจอเป็นต้องแทงพื้นบ่าว ก, ก็คอยวาดปลายกระบอกปืนสอดส่องไปด้วยลักษณะเหมือนทหารกําลังลาดตระเวนเห็นแล้วเท่เหมือนกันนะเราค่อยๆพากันเดินขึ้นไปก็ถือว่าเริ่มไกลบรรยากาศนี้ถ้าไม่รวมที่เราหืออือกันกับเสียงรีตึงเรไรล้วก็ถือได้ว่าวังเวงน่ากลัวทีเดียวแล้วเมื่อเดินมาถึงยังจุดหนึ่งเราก็หยุด เฮ้ยเดินกันมาตั้งนานแล้วไม่พบสัตว์อะไรเลยเจอแต่กบเนี่ยเราเดินขึ้นไปตามทางดีกว่าดีไหมเผื่อว่าจะพบสัตว์อะไรบ้างเพื่อนบ่าวหันมาถามผมผมก็เห็นดีด้วยนะอย่งดีที่เราได้กบกันมาบ้างนึกภูมิใจตัวเองอยู่เหมือนกันที่คิดรอบคอบเออน่าจะดีว่าผมตอบเพื่อนบ่าวไปแล้วเราก็เปลี่ยนเส้นทางกันจากที่พากันเดินตามสายน้ําก็เดินไปตามทางที่นําพาเข้าป่าลึกพอเราเดินเข้าป่าไปได้สักพักหนึ่งบรรยากาศรอบตัวก็เริ่มเปลี่ยนไป เราสองคนรู้สึกได้ว่ามันเงียบพิกลเราได้แต่มองหน้ากันแล้วก็ค่อยๆพากันเดินเข้าไปพยายามเดินกันให้เบาค่อยๆย่องเผื่อว่าไปเจอตัวอะไรมันจะได้ไม่ตื่นแล้วหนีไปรู้สึกตัวกันกทีเราก็เดินเข้ามาลึกแล้วแล้วก็ไม่เจอสัตว์อะไรเลยฟูฟมีสิ่งนึงเกิดขึ้นเราสองคนหยุดเดินเพื่อนบ่าวหันมามองหน้าผมเรามองหน้ากันสิ่งที่ได้ยินมันดังมาจากข้างบนเราเรีบพากันมองไปยังต้นไม้ที่มาของเสียงอุเพื่อนบ่าวอุทานผมก็งง เพราะว่าสิ่งที่พวกเราเห็นกันนั้นมันเป็นลูกตาเป็นตาคู่หนึ่งที่มีสีแดงสดที่แม้ในความมืดก็ยังปรากฏชัดเราเรียบเอาไฟฉายส่องแต่ก็เกิดสิ่งแปลกขึ้นคือเราไม่เห็นตัวมันเห็นแต่ลู ก, กตาเฮ้ย hey, ต, ตัวอะไรวะผมถามเพื่อนไม่รู้สิวะเพื่อนบ่าวรีบตอบดวงตาคู่แดงนั้นยังจ้องเราสองคนแบบไม่กระพริบเฮ้ย hey, บ่าวยิงเลยผมรีบแนะนําเพื่อนบ่าวเลยไม่กล้ายิงวะตัวอะไรก็ไม่รู้เพื่อนบ่าวไม่กล้ายิง ผมก็รีบเอาปืนมาจากมันแล้วก็เล็งปลายกระบอกปืนขึ้นไปหาตาคู่นั้นตาสีแดงประหลาดยังคงมองนิ่งอยู่เช่นเดิมเป็นการมองที่ชวนหลอนมากผมเล็งปืนมั่นใจว่าโดนแน่แน่แล้วก็สับไกแชะตกใจทำไมปืนไม่แตกกระสุนไม่ล่นออกไปและวไอ้เจ้าของดวงตา ก, ก็ไม่ได้หนีไปไหนซะด้วยมันก็ยังคงอยู่บนต้นไม้แล้วก็มองลงมาเบาเอาลูกมาใหม่เบาผมรีบขอลูกกระสุนจากเพื่อนเบาเบารีบเอากระสุนใหม่ส่งให้ผมผมก็รีบเปลี่ยนกระสุนท่านเท รียบร้อยไม่รอชา้ารีบสับไกอีกทีแะเป็นนี่ครั้งที่ยิงไม่ออกกระสุนไม่แตะ ป, ปุ่มไปผมตกใจมากรีบขอกระสุนเพิ่มเติมบ่าเรีบส่งให้ผมผมรีบเปลี่ยนแล้วก็รีบยิงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแฉแฉแล้วก็แฉเรามีกระสุนอยู่20นัดยิงไป10บนัดไม่ออกเลยมันไม่ใช่แล้วกระสุนไ้ดวงตาสีแดงที่มองเราอยู่ข้างบนนั้นมันก็ยิงอยู่ที่เปลี่ยนไปก็คือมันใหญ่ขึ้นแล้วก็แดงขึ้นแดงขึ้นแล้วก็กค่อยๆใหญ่ขึ้นผมกลัวมาก แต่ก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรออกไปเพราะหนึ่งในะสองคนเราหากว่ามีใครสติแตกเป็นขวัญกระเจิงเป็นแน่ผมกลืนน้ำลายหันไปมองหน้าบ่าวแล้วก็บอกว่าบ่าวเราไปหาตัวอื่นยิงกันดีกว่าเออเอดีดีเหมือนกันว่ะเพืนบ่าวรีบเห็นดีด้วยแล้วเราสองคนก็รีบเดินออกไปจากตรงนั้นสําหรับผมนั้นขนลุกเกลียวเย็นหลังวาวๆแต่ไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวเป็นอย่างไรหอนเงียบปากแล้วก็เดินขึ้นไปตามทางสัตว์ตัวท่ากัดเราเต็มไปหมดแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรรีบพากันเดิน แล้วมาคิดว่าพ้นระยะแล้วแล้วเราก็ยังคงไม่ได้เจอสัตว์อะไรกันอีกใช่แล้วเราไม่พบสัตว์อะไรกันเลยนอกจากกบคิดถึงแต่สัตนะว์นะเบ่าเรากลับบ้านกันดีกว่าว่าผ ม, มรีบชวนเพื่อนเบ่ากลับบ้านเบ่าพยักหน้างึกๆแสดงไว้เห็นด้วยเออว่าเราไม่ได้ยิงสัตว์อะไรกันเลยแล้วเราสองคนก็รีบพากันเดินกลับมาตามทางเดิมใจผมก็หลุนอยู่แต่ว่าอย่าที่เจอมันอีกเลยนะตอนนี้มันก็น่าจะไปแล้วแหละแต่ความจริงกลับปรากฏว่าผมคิดผิดไป พอเมื่อาพากันเดินมาถึงณจุดเดิมที่เราเจอเ จ, อเจ้าตาแดงผมเลือดมองไปยังต้นไม้ที่เจอมาอีกทีมันก็ยังอยู่นี่แต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมตอนนี้ตามันใหญ่ขึ้นมากแล้วก็แดงขึ้นมากใหญ่ขึ้นแล้วก็แดงขึ้นเฮ้ยมันยังอยู่เว้ยเฮ้ยยิงมันอีกทีเขินบ่าวร้องผมรีบเปลี่ยนลูกหันปืนไปบนต้นไม้แล้วก็ตับไก่ทันทีแชะอีกแล้วทำไมกระสุนไม่แตกเนี่ยเรามองหน้ากันจับมือกันโดยเข้าใจแล้วก็รีบพากันจําเอาออกจากป่าลงมา แม้ไม่ต้องมีใครบอกใครเราก็รู้ว่ามีอาการเสียวสันหลังเกิดขึ้นแล้วกับเราทั้งคู่เรารีบจ้ำเดินกันเป็นการเดินเร็วที่พร้อมใจกันที่สุดไม่มีใครทวงใครเราพากันเดินกลับลงมาจนถึงริมสายน้ำตรงที่เราจะเปลี่ยนเส้นทางเข้าป่าลึกคิดว่าผลระยะหลอนแล้วเราก็พากันนั่งพักลงเราหยิบลูกปืนที่เรายยิงไม่แตกขึ้นมาส่องดูคิดกันว่ามันน่าจะเป็นกระสุนปลอมน้อยยังไม่ค้าบางอาจมาหลอกเรากลับไปเจอหน้าจะเอาไปคืนให้หมดเลยโมโหหยิบปืนจากบ่ามาแล้วก็ยิงขึ้นฟ้า อ, อ้าวมันก็แตกนี่ว่าเออเฮ้ยกระสุนใช้ได้นี่เพื่อความแน่ใจลองอีกนัดหนึ่งปองรู้สึกฮึกเหิมขึ้นในใจเอาลูกเว้ยกลับไปยิงไปดีกว่าผ ม, มารีบชวนเพื่อนบ่าวทันทีฮะไม่รอคําตอบไม่เห็นด้วยหรือไม่รีแจาเอาเดินกลับเข้าไปในป่านั้นเพื่อนบ่าวไม่มีทางเลือกเดินตามหรือเมื่เดินมาถึงต้นไม้ต้นเดิมผมไมรีด้แงนหน้ามองขึ้นไปจะดวงตาแดงเบรอเร์ก็ยังอยู่แต่ตอนนี้มันใหญ่ขึ้นมาก แล้วก็น่ากลัวมากด้วยแต่ผมไม่กลัวปืนยิงออกแล้วคิดในใจมันจะเป็นตัวอะไรก็ช่างมันโดนแน่ไม่รอช้ารีบสับไกครั้งหนึ่งแชฉอา้าวเป็นอะไรวันนี้ทําไมไม่แตกอีกเนี่ยเฮ้ยเอาลูกง่อยเพื่อนบ่าวตกใจอย่าว่าแต่เพื่อนบ่าวตกใจเลยผมก็ตกใจด้วยเช่นเดิมโดยเราไม่ได้ปรึกษากันเราทั้งคู่จับมือกันแล้วก็รีบจําเอากันออกมาบรรยากาศวังเวงหนาวเย็นตึงเหงือชุ่มมือเราทั้งสองคน ผมมีความรู้สึกอยากจะบ้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเพื่อนบ่าวก็คงไม่ต่างกันและเมื่อพากันเดินออกมาพ้นระยะผมก็ลองยิงปืนขึ้นฟ้าดูอีกทีป้งตอนนี้เองที่เราสคนเข้าใจแล้วว่าโดนเข้าแ ล, ล่ะอยู่กันไม่ได้แล้วเราควรรีบกลับบ้านกันอย่างโดยด่วนป่า น, นี้อยู่ไม่ได้เฮ้ i, รีบกลับบ้านกันเถอะผมว่าเออกูก็ว่างนั่นแหละวิ่งเลยดีกว่าเพื่อนแล้วเราก็รีบวิ่งกลับบ้านกันและนี่ก็คือประสบการณ์จริงที่ผมไปเจอกับเพื่อนบ่าวมา ม, มั่นใจว่ามันไม่ใช่สัตว์แน่นอนเพราะว่ามันมีแต่ลูกตาแต่ว่ายังไม่หมดนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมนัดกับพี่ว่าเราจะไปแดกตาภาพน้ํากันจุดนัดแตรวมตัวก็คือที่บ้านของพี่แล้วเมื่อถึงวันนัดหมายผมก็ได้ไปที่บ้านของพี่เมื่อเรารวมตัวกันครบอันได้แก่ผมพี่กว้างพี่เบียร์พี่ขวดผมก็โดนใช้ให้ไปซื้อเหล้าขาวมาสองขวดก่อนเพื่อ น, นําเข้าไปด้วยเป็นสเสบียงติดตัวไว้ใช้แก้หนาว สรุปว่าคณะเดินทางครั้งนี้มี4คนการเดินทางครั้งนี้เราพบปืนเข้าไปกันทุกคนโดยผมนําลูกกรดไปพี่เบียร์พี่กว้างก็ลูกกรดด้วยเช่นกันและพี่กว้างก็รับหน้าที่เป็นคนถือที่ดักตาภาพน้ําอีกด้วยส่วนของพี่ขวดนั้นเป็นปืนลูกซองและเมื่อได้เล่าข่าวครบสองขวดแล้วเราก็พากันออกเดินทางมุ่งหน้าเดินตรงเข้าป่ากันเพื่อปฏิบัติภารกิจการดักตาภาพน้ําพอพวกเราพากันเดินไปถึงตรง ป, ปากทางที่เข้าป่า แล้วก็พากันเดินขึ้นลูกเขาเพื่อตัดลงแม่น้ําแม่น้ําแถวบ้านผมถือว่ามีความยาวเราก็เดินกันต่อไประหว่างทางเราก็ไปพบกับกระรอกป่องพี่เบียร์ก็จัดการยิงซะเพื่อไว้ทําเป็นอาหารเราก็เดินชมวิวทิวทัศน์สำรวจนั่นสํารวจนี้ไปเรื่อยจนเมื่อเวลาผ่านไปใกล้จะมืดลงผมจึงบอกกับพี่เบียร์ว่าเราหาที่พักกันก่อนดีไหมพี่มันจะมืดแล้วได้ได้พี่เบียร์เห็นดีด้วยจากนั้นผมก็เดินไปหาที่ดักตภาพน้ํา ทริปนี้เรานําที่ดักมาเก้าลูกเพื่อ น, นํามาวางดักกันเพราะว่าในป่านั้นตะภาพน้ํามีมากหลังจากที่ผมวางดักจนหมดแล้วเราก็หาที่พักกันซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกที่เราพบกับที่พักมีลักษณะเป็นเพิงกระต่อบเล็กๆไม่รู้ว่าใครมาสร้างเอาไว้ในป่าและรอบข้างก็ยังมีต้นไม้พอให้ผูกเปลนอนได้พักกันตรงนั้นไหมพี่ผมเหนื่อแนะพวกพี่ๆ พ, พยักหน้าเราเห็นพ้องต้องการแล้วเราก็ตกลงใจพักกันตรงนั้น แล้วผมก็ทําการจัดการผูกเปลนอนอยู่คนเดียวระหว่างต้นไม้ใหญ่2ต้นที่อยู่ใกล้กันส่วนผู้พี่ๆก็พากันผูกอยู่อีกต้นหนึ่งเสร็จแล้วก็พากันก่อก อ, กองไฟขึ้นหนึ่งกองตรงบริเวณหน้ากระทอมนั้นและคืนนั้นก่อนที่เราจะแยกแย้ายกันนอนพวกเราก็ร่วมมือกันจัดการกับเหล้าขาวที่นํามาด้วยเราพากันนั่งดื่มเหล้าเสวนาคุยกันจนถึงประมาณเที่ยงคืนได้เราไปวางอวนกันดีไหมพี่ผมเอ่ยปากชวนพี่เบียได้ได้พี่เบียตอบตกลง และผมสองคนก็ลุกพากันเดินลงไปพี่ขวดกับพี่กว้างก็นั่งรออยู่ข้างกองไฟและระหว่างที่ผมกำลังเดินลงไปกับพี่เบียร์ผมก็ทองสะดุง้ง <No. S 1> เพราะหูผมได้ยินเสียงเสือร้องมันร้องคํารามดังมากทําให้ดีพี่ผมถามพี่เบียร์ไม่ต้องกลัวมันไม่ทําอะไรเราหรอกพี่เบียร์ตอบแต่ <No. S 1> มันร้องดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆซะด้วย ผมตกใจสติหลุดรีบวิ่งกลับไปที่พี่ขวดไปเอาปืนลูก2มาให้พี่เบียถือไว้เพื่อความอุ่นใจคิดว่าถ้ามันเข้ามาจะให้พี่เบียรยิงให้ตายเลยแล้วเสียงเสือก็เงียบไปผมกับพี่เบียก็พากันดักปลาต่อไปดักไปแล้วก็เก็บปลามาได้มากทีเดียวติดเต็มอวนแล้วเราก็พากันกลับขึ้นที่พักกันไรวีแววเสียงเสือเราก็จัดการเอาปลาที่ได้มาทํากินกันโชคดีผมติดผงปรุงรสมาด้วยทําให้ปลาที่ได้มาอร่อยมากเป็นกับแกล้มฉันเลิศ เราพากันกินกันจนหมดเลยเรานั่งดื่มเล่าเสวนากันไปจนถึงเวลาประมาณตีสองได้พลันหูของผมก็ได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นเฮ้ยอะไรกันวะผมคิดใครมาเปิดเพลงในป่าแบบนี้วะเนี่ยผมเลยถามพี่เบีย ว, ว่าพี่ได้ยินเสียงใครเปิดเพลงบ้างเปล่าพี่ไม่ได้ยินเลยว่าคิดปเปลงหรือเปล่าวะพี่เบีย ว, ว่าพี่ผมได้ยินจริงๆนะผมยืนยันเส้นสงผมพูดทุกอย่างก็เงียบไปเหมือนเทวดาเดินผ่านหรือตกท้องช้าง เราก็ต้องตกใจกันอีกครั้งเพราะมีเสียงไหมห้หักซึ่งดังมากดังมาจากข้างๆแถวที่เราจะนอนพักกันอยู่ผมสะดุ้งตกใจเราออกไปดูซิว่าเสียงอะไรพี่กว้างบอกอย่าออกไปเลยมันอาจจะเป็นหมีก็ได้พี่ขวดเตือนเราทุกคนมองหน้ากันก็เห็นดีด้วยเรานั่งกันต่ออีกพักหนึ่งแล้วก็แยกแยะ ก, กันขึ้นนอนแต่ผมนอนไปได้ไม่นานก็มีอันต้องตื่นขึ้นมาอีกดูเวลาก็ตีสามผมนอนไม่หลับ ร, รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมากัดที่เท้ามีอาการเท้าเย็นไปหมด ก็เลยลงมาจัดการกอร่อไฟขึ้นมาเอาเท้าไปอังๆแต่มันก็ยังไม่หายเย็นคิดถึงพวก พ, พี่คงยังไม่หลับกันเมื่เนี่ยเลยเดินไปหาพวกพี่ว่าจะไปตรวจดูสภาพนั้นที่เราดักเอาไว้โดยไม่ลืมหยิบปืนลูกกระติดมือไปด้วยและผมก็ต้องตกใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อหูของผมได้ยินเสียงดนตรีไทยเฮ้ย hey, อะไรกันเนี่ยผ ม, มรีบกว่าเสายตามองดูค้นหาเสียงว่าดังมาจากตรงไหนคิดในใจในป่าแบบนี้ใครจะมาเล่นยิ่งคิดผมก็ยิ่งงงทังสับสนทั้งกลัว และสายตาของผมก็มองออกไปพบกับดวงไฟดวงหนึ่งเป็นดวงไฟสีเขียวๆอยู่ตรงพื้นที่ด้านล่างและด้วยความไม่รู้ตัวก็เดินลงไปดูจะไฟเขียวดวงที่ผ ม, มเห็นตอนแรกมันเล็กมากแต่พอผมยิ่งเดินเข้าไปใกล้ปรากฏว่าเจ้าดวงไฟดวงนั้นมันกลับค่อยๆใหญ่ขึ้นมาเห็นถ้าไม่ดีผมรีบวิ่งไปหาผู้พี่ให้เร็วที่สุดพอหันหลังไปมองเจ้าไฟดวงนั้นก็ลอยตามผมมาด้วยมันลอยเข้ามาหาผมเร็วขึ้นเร็วมากผมทําอะไรไม่ถูกรีบยงิงลูกรดที่อยู่ในมือออกไปปัง ไมพลาดเป้าโดนเต็มๆแต่ก็ดูเหมือนกับว่ามันไม่เป็นอะไรเลยมันจะคงพุ่งตรงเข้ามาหาผมอยู่ไม่ได้แล้วด้วยความตกใจผ ม, มรีบวิ่งหนีทันเทีพบพวกพี่ได้ยินเสียงปืนดังก็รีบพากันวิ่งมาดูที่ผมเพื่อจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ไม่ได้เจอกันผมผมไม่รู้ว่าผมวิ่งออกไปไหนผมวิ่งหนีไปด้วยความกลัวรอบตัวมันมืดมากพอผมตั้งสติได้ก็บอกกับตัวเองว่าไม่ต้องกลัวผมหยุดวิ่งและเมื่อผมหันหลังมองกลับไปก็ไม่เห็นเจ้าไฟประหลาดตามมาอีกแล้วผมดีใจมาก แ ต, แต่ในป่าใหญ่แบบนี้ผมจะกลับทางเดิมได้ยังไงผมเปิดไฟฉายขึ้นส่องดูแต่มันก็เหมือนกันหมดผมมารีบวิ่งลงหาแม่น้ำเพื่อตั้งต้นจะหาทางกลับผมเดินงงหลงทางเดียวดายอยู่คนเดียวคิดแล้วก็คลําทางว่าแม่น้ําน่าจะไปทางนี้และระหว่างที่ผมกําลังเดินอยู่นั้นป่งป่องเสียงพวกพี่ผมยิงปืนขึ้นฟ้าใช่ผมได้ยินแต่เสียงมันดังมาจากทางไหนกันล่ะมองไปทางไหนมันก็เหมือนกันหมดเลยมันมีแต่ความมืดแล้วก็มืด คิดขึ้นได้ว่าอยู่ข้างล่างไม่ดีแน่นอนผมรีบเปีย น, นขึ้นต้นไม้ทันทีเพราะว่าน่าจะปลอดภัยกว่าแล้วก็มองเห็นแสงไฟจากที่ไกลๆได้ด้วยแต่เมื่อผมขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ผมก็มองไม่เห็นไฟของพวกพี่ที่ออกมาตามเลยมองไปทางไหนก็ไม่เจอผมร้องไห้อยู่คนเดียวบนต้นไม้ในป่ายอมรับแบบลูกผู้ชายเลยกลัวมากๆผมรอไปแล้วก็ดูนาฬิกาไปด้วยจนถึงประมาณตีสี่ผมก็ตั้งสะดุ้งอีกที ได้ยินเสียงเสือเหมือนกับว่ามันร้องอยู่ข้างๆผมนีเองผ ม, มรีบเปลี่ยนขึ้นไปให้สูงขึ้นสูงขึ้นอกีกแล้วเมื่อผมส่องไฟมองลงไปข้างล่างผมก็เห็นเสือตัวหนึ่งมันมานอนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นที่ผมอยู่ผมยกปืนลูกกระตุนขึ้นค่อยๆเล็งเล็งด้วยความตั้งใจเมื่อมั่นใจแล้วผมก็ลั่นไกปง้งโดนเต็มเต็มเสือตัวนั้นคำรามร้องดังมากผ ม, มรีบใส่ลูกใหม่แล้วก็ยิงซ้งําป้งทีนี้มันกระโจนวิ่งไปหลบที่ต้นไม้ต้นหนึ่งมันไปนอนหมอบนิ่งสงบอยู่ ผมมั่นใจว่ามันยังไม่ตายแน่นอนระหว่างนั้นเองปองเสียงปืนของพวกพี่กระดังขึ้นอีกนัดพอเจ้าเสือเจ็บตัวนั้นได้ยินเหมือนก็ลุกขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะรีบวิ่งตามเสียงปืนของพวกพี่ผมไปตอนนั้นผมมีอาการงงๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมเลยยิงปืนขึ้นฟ้าอีกนัดหนึ่งปองแล้วเมื่อเสียงปืนผมสิ้นสุดลงปองเสียงพี่ผมยิงปืนตอบกลับมาอีกผมดีใจมากเราติดต่อกันได้แล้วและดูเหมือนว่าพวกพี่ของผมก็กําลังเดินใกล้เข้ามายัางจุดที่ผมอยู่ ผมดีใจจะรีบลงจากต้นไม้และระหว่างที่ผมกำลังจะลงจากต้นไม้นั่นเองป้งป้งป้งปป้ ง, ปงก็ปรากฏมีเสียงปืนดังขึ้นติดกันหลายนัดผมสงสัยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมถึงได้ยิงปืนติดกันพอเสียงปืนสงบลงผมก็ได้ยินเสียงร้องของพี่ขวดดังขึ้นผมรีบลงจากต้นไม้รีบวิ่งไปดูตามเสียงภาพที่ปรากฏให้เห็นก็คือพี่ขวดถูกเสือตบเข้าที่หัวทำให้เกิดแบบดแผลชะกันมีเลือดออกมากผมตกใจทำอะไรไม่ถูกเลย รีดตัดไม้มาหามเร็วพี่เบียร์สั่งผมกับพี่กว้างรีบตัดไม้ทําที่หามท่านเทพี่ขุดบาดเจ็บหนักเราต้องรีบกันมากแต่ภาพน้ําก็ไม่ต้องดูเบรกก็ไม่ต้องเก็บแล้วเรารีบหามกึ่งเดินกึ่งวิ่งพาพี่ขูดกลับแต่ด้วยว่าระยะทางมันไกลาจากบ้านมากพี่ขดูดดูจะเจ็บหนักมากหน้าตาแกเต็ไมไปด้วยเลือดมีอาการเหมือนใกล้จะหมดสติแต่มันก็ยังไม่จบสักทีเดียวเจ้าเสือตัวนั้นมันไม่ยอมจบด้วยมันกําลังตามรอยเลือดมาพี่กว้างได้ยินเราต้องหยิบมันให้ตายก่อนไม่อย่างนั้นเราจะจบกันหมด พีกว้างแนะนําเรา3ามคนรีบปีนขึ้นไป บ, บนต้นไม้โดยเปิดไฟตั้งเอาไว้ข้างล่างเพราะว่าเราไม่สามารถเอาพิขวดขึ้นมาด้วยได้เลยมีความจําเป็นต้องปล่อยให้พิขวดนอนอยู่ข้างล่างดูไปก็คล้ายกับให้แกเป็นเหยื่อล่อมันเข้ามาเรา3ามคนนิ่งแล้วก็เฝ้ารอปฏิบัติการนี้จะพลาดไม่ได้เพราะนั่นหมายถึงชีวิตของพิขวดที่อยู่ข้างล่างและภาคกหนึ่งสิ่งที่เรารอคอยกันก็มาถึงตรงบริเวณหลังกอไผ่ไอ้หลายย่างก้าวออกมา ผมมีความรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นมันจะใช่ตัวเดิมหรือเปล่าเนี่ยหรืออาจจะเกิดขึ้นเพราะความกลัวมันค่อยๆเดินย่องเข้ามาเราไม่เห็นมันเต็มตัวเท่านั้นแหละยิงเลยผมร้องขึ้นตะเทีพี่เบียร์พี่กว้างไม่รอช้าเราช่วยกันยิงป้องป้องป้องเราเรียบชรือกันรุมยิงมันระหว่างที่เรากำหมัดเขม้นกับการยิงอยู่นั้นพี่ขุที่อยู่ข้างล่างก็หมดสติหลับไปแล้วไอ้หลายตัวนั้นกระเด็นเพราะแรงกระแทกจากกระสุนปืนหายพ่อพงโรกไปเราเรีบบรรจุกระสุนปืนยิงส้ำตามไปจนไม่เห็นเงามัน ล้เมื่อสิ่งปืนส ง, งบลงเสือไม่อยู่แล้วเราก็รีบพากันลงมาจากต้นไม้ไปดูพี่ขวดข้างล่างพี่เบียร์พี่กว้างไม่รอช้ารีบหามพี่ขวดกลับบ้านพาตัวไปรักษาทันทีผมไม่รู้ว่าเสือตัวนั้นมันตายหรือว่าไม่ตายแต่สิ่งสํำคัญก็คือเรารักษาชีวิตพี่ขวดได้ครับและประสบการณ์ของผมก็จบลงทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือประสบการณ์ของคุณต้นนะครับจะเรียกอีกชื่อก็กลัวจะผิดทุกเรื่องราวก็ขอให้ฟังในแนวบันเทิงนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับ ละช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับส่วนอีกหลายเรื่องราวที่ยังไม่ได้ถ่ายทอดก็ใจเย็นๆนะครับไม่ลืมแน่นอนครับยังคงส่งกันมาได้เรื่อยๆครับและตอนนี้ก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปั ญ, ญญาในการดํารงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ